วันนี้จะเทศ่อเรื่องมรณาสติให้ฟังมรณาในสติคือให้พิจารณาถึงความตายระลึกเป็นความตายเป็นภาวนาเป็นปริกรรมภาวนาอย่างหนึ่งถ้าหากเราไม่ระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ ยิบจะเพิดเพลนลุ่มหลงห ม, ม, มัวเมาประมาทพระคนเรารัทชีวิตคือความเป็นอยู่ไม่อยากตายโดยมากมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากเรามาพิจารณาทั้งเรื่องความตายเห็นอายุมันสั่นไปไม่ยืดยาวแล้วครานนี้นะจะได้รีบเรียมเนื้อเตรียมตัว จะได้รีบค้นขวา้าหาสิ่งที่เป็นสาระสร้างคุณง า, คามคนดีให้เกิดมีขึ้นในตนทันกับการเวลาสมัยซึ่งเรายังมีชีวิตยอยู่นี้ใน น, นั้นมรณาสติที่ระลึกถึงความตายจึงเป็นของมีคุณค่ามากแต่คนทั้งหลายไม่ชอบและกลัวถ้าพูดตรงเรื่องความตายแล้วทำไม่ชอบ แต่ความดีอยู่ที่ความตายหากคนนรามาพิจารณาเรงความตายแล้วทําดีได้ง่ายกราลองคิดดูสิบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวจะตายรีบทำบุญทาทานแท้หรือเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีสารหน้าที่พึ่งและลึกขึ้ความตายแล้วมันจะต้องตายวันไหนก็ไม่ทราบเราจะต้องรีบภาวนา พิจารณาทั้งทั้งฐานร่างกายเห็นไปในิจางทุกครั้งมีสักขีพ ญ, ญาณไปจับชัดแจ้งตัวตนเองเพื่อว่ามันเจ็บมันป่วยมันเป็นภารยรักละไม่ต้องแตกต้องดับในวันหนึ่งจึงได้ค่อว่าทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่เรามากทีเดียวการพิจารณาเรื่องความตายตายมีสองชนิดชนิดหนึ่งเรียกว่าปฏิฉัน คือว่ามีการปกปิดตายโดยการปกปิดหรืออีกหนึ่งที่เรียกว่าชลาโดยการปกปิดอย่างนึงเรียกว่าชลาโดยการเปิดเผยตายก็เหมือนกันตายโดยการปกปิดตายโดยการเปิดเผยมีสองอย่างชลาปกปิดคือมันแก่มาตั้งแต่ปฏิสนธิคนเราถ้าไม่แก่มันก็ไม่กอด คันแก่ยังคอยซอดเรียกว่าแก่มาแตงยังอยู่ในคันเป็นเด็กก็แก่ไปทุกวันวันคืนล่วงไปล่วงไปวันหนึ่งก็แก่ไปแก่ไปแก่วันแก่เดือนแก่ปีแก่ไปโดยลํำดับแต่คนเราไม่ค่อยจะเห็นความแก่เหล่านี้ถือว่ามันหนุ่มกําลังหนุ่มกําลังแน่นกําลังเจริญงอกงามแท้จริงคือการคือความแก่นั่นเอง มันแก่ไปเรื่อยๆไปแก่แบบนี้เรียกว่าแก่ปกปิดคนทั้งหลายไม่ค่อยจะเข้าใจทเรื่องความแก่แก่เปิดเผยนั่นมันยุ่ล่วงเลยห้าสิบหกสิบไปแล้วผิวพันวันลนะพดหูเข้าหมองเนื้อหนังก็ซุดโซบแหวแห้งกำลังบางชาก็หมดลดถอยไปคิดแปลปกติ เป็นผมก็ที่เคยดำก็ ก, กลับมาขาวงอเดินไปไม่ตรงละแก่มาหกห้าสิบหกสิบไปแล้วแต่ก่อนเดินค่องแกวหว่องไวตรงไปตรงมาตอนนั้นห้าสิบหกสิบไปแล้วมกกักจด็กด้วนหน้าด้วนหลังลุกนั่งก็มีแต่การเจ็บการปวดเดินก็ไม่่องแขวทโทุโซนเรื่องท่านี้แสดงให้เห็นความแก่ แก่เปิดเผยนอกจากนั้นก็แก่งอมจนกระทั่งไปไหนไม่ได้สักเท่าสามขาหูต้ากฝฟ้าฟางทั้งหมดฟังอะไรก็ไม่ชัดไม่เจนอันนี้แก่เดยชัดเจนทีเดียวเห็นได้ชัดคลยๆก็นรู้ได้ทั่วกันทั้งนั้นนี่เรียก ว, ว่าแก่เปิดเผยตายก็เช่นเดียวกันตายในหมายความทั้งวันเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนแปลงได้ ว, ว่าตาย อย่างที่เราถือกันว่าสีตายธรรมดาสีนาะทาที่แรกมันใสสดงดงามมีแวววาวพอมันตายมันก็เศร้าสีเศร้า ส, ส, ส, ส, สีหมองสีจางไปเรียกว่าตายสีตายคนเราตายก็คือนเปลี่ยนสภาพเพีนเดียวกับสีนั้นก็อาจชนองเดียวกันนั่นะที่พูดไปแล้วนั้นเรียกว่าแก่ ปกปิดอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องแก่ที่เรียกว่าตายปกติดคือตายจากตายตัง้งแต่อยู่ในคันของมันดาเบื้องต้นเป็นกะละละตายจากกะละละมาเป็นน้ําล่างเลือดตายจากน้าล่างเลือดมนาะเป็นก้อนเลือดตายจากก้อนเลือดมนาะเป็นปัญจขาหาแหงมันเพาะเติบโตออกจากนั้นแล้วพอแก่พบพบคันบริบูรณ์แล้ว พวนติดเดือนก่าข้ออังมาอันนี้ตายจากเด็กที่นอนอยู่ในผ้าพวมเลยนะที่ในกระดุ่งนะแล้ก็เติบโตขึ้นมาโดยลำดับจนกระทั่งคลานได้เดินได้วิ่งได้พูดจาพาทีได้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ามันเปลี่ยนสภาพไปมันตายจากของเดิมไปคนเด็กๆไม่นุ่งหะผ้าหมา่มผ้าทัานพ่อเติบโตก็มาสนุ่หม่มปกปิดเอาอวัยวะ ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้มันตายจากสภาพที่เป็นเด็กมาเป็นหนุ่มเป็นสาวตายจากน่มจากสาเข้ามาเป็นคนเฒ่าคนแก่จนกระทั่งนั่งหดหูยุ่ยดโดยประการต่างๆอย่างอธิบายมาแล้วในเรื่องการแก่แก่ไม่ปกปิดอันนี้ตายโดยลําดับมานั่นแก่ไม่ปกปิดนั้นเรียกว่าตายมาเรื่อยๆมาละอันนี้ เรียกว่าตายปกปิดคนทั้งหลายไม่ค่อยเอาใจและไม่ค่อยพิจารณาไม่ถือว่าเป็นการตายก็ราะนจริงก็คือจะตายนั่นเองเหตุที่ว่าไม่ถือว oui, <t ry riot> ่าเป็นของตายนั่นเรียกว่าปกปิดแค่ที่จริงคือมันตายมาแล้วก็เมื่อแม่ขาดลมหายใจเข้าออกไม่มีลมหายใจเย็นมดหมดทั้งตัว เย็นชิบมัดทั้งตัวน่ะเข้าใจว่าตายกันแน่นอนครั้นี้มันมีใครก็้านะเรียกว่าตายถ้าไว้หลายๆวันนานๆนะเข้าก่ออืดขึ้นพองเหม็นกลิ่นเดี๋ยวก็เปื่อยเน่าน้ําเหลืองไหลเพลิ่ออกมาอันนี้เรียกว่าตายกันจริงๆเจ้านี้นี่ตายไม่ปกตินี่ความตายของคนมันมีอย่างนี้จึงว่าอยากจะอธิบายเข้าใจเรงเรื่องความตาย ถ้าหากเราเข้าใจความตายดังอธิบายมานี่แล้วคนเราจะเป็นผู้หมาประมาณแล้วเกิดขึ้นมาเป็นเด็กอันที่ความเพลิดเพลินมัวเมายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่่หลงลืมระเลงลืมตัวเพราะเหตุมัวเมากับความหนุ่มความเป็นจริงก็คือความหนุ่มความตายนั่นเองเพลินก็ความตายหลงก็ความตายตนเขาตอนตายอยู่จะลืมตัวไม่รู้สึกตัว เห็ุนั้นยังโมโาประมาทประกอบในทุตจริทธ์ทำผิดโดยประการต่างๆอย่างขาด จ, จากศีลจากธรรมถนบทั้งเนี่ว่าเพีดีอันดีงามโดยประการต่างๆพระเหตุที่ว่าลืมความตายเมากับความตายเห็นความตายเป็นของสดสวยงดงามแล้วเห็นเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนเมานี่คนไม่เข้าใจเรื่องความตายถ้าเราเข้าใจว่าเราตายไปทุกวันทุกวันเราจะได้เป็นผู้ไม่ประมาท คือว่าความตายก็บท้ายกันกับว่าพระอาทิตย์คือดวงตะวันพระพมาเปลี่ยนมันก็ดวงตะวันมันขึ้นมานั่นน่ะตั้งต้นในแดดมันโผล่ขึ้นมาเบืองต้นในเช้าตอนเช้าทางตะวันออกเราเข้าใจว่าตะวันขึ้นวัโผล่ขึ้นมาคือว่ามันความจริงมันเคลื่อนจะไปหาตะวันบ่ายนั่นเองมันจะลงดับ ไปทันแต่มันจะมืดมิดไปนั่นเองความความเป็จริงนะถ้าเโผลขึ้นมาเราไปดีอกดีใจว่ัตวันขึ้นแท้ที่จริงไม่น่าจะดีใจควนที่จะคิดถึงว่าวัตวันมาขึ้นมาส่องแสงเดี๋ยวมันจะดับลับไปเวลาไหนก็ไม่ทราบรีบประกอบกิจการงานของตนใชะที่ตนจะพึงทําให้มันทันกับการเวลาดังบุคคลผู้ที่เขารับจ้างทํางานวันหนึ่งนั่นแปดชั่วโมง เขาจะรีบเร่งทํางานมันทันกับเวลา8ชั่วโมงถ้าหากว่าไม่ทัน8ชั่วโมงทําไม่ทันมันก็จะหมดเวลาไปาเฉยเยแล้วเลยจะไม่ได้ค่าจ้างรางวัลอย่างนี้เป็นต้นพอมาเปรียบอย่างนั้นคนเราเกิดขึ้นมานะั่นอายุมัมีเครื่องหมายไม่เหมือนเขารับจ้างเลยเรารับจ้าง8ชั่วโมงเขายังมีกำหนดเวลาคนเราไม่มีกมําหนดกี่ปีจะตายไม่มีกําหนดหรอกบางทีเนี้ยมันพอคลอดออกมาตายก็มี อันทียังเป็นเด็กเป็นหนุ่มตายก็มีบางทีเท่าแก่ปางกลางขนาดกางตายก็มีมันไม่มีกําหนดเป็นลำเวลาเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราจะต้องทําให้มันเป็นประโยชน์คือค่าจ้างาวันที่เราจะพึงได้จากเซลล์ร่างกายอันที่ยังไม่ทันตายนี่ที่มันทําตับตันแตกมันยังพอใช้ได้ก็รีบพยุงพยายามทํำแค่ถ้าไม่แค่นั้นก็เอาพมาเปลียนก็คนที่ใช้เรือข้ามน้ําในเวลาที่มัน ยังมาท่านแตกมาทันรั่วรัดจ้างคนข้ามน้ํารีบส่งรีบขามจ้ะหาก็มันแตกมันรั่วเราจะใช้ไม่ได้หาก็มันยังรั่วพอหยุดยาได้จะรีบทําการทํางานนั้นมันได้เกินได้ทอง ม, มากของคุ้มค่าเทันนั่นเหมือนกันคนเล้าเกิดเสื้นมานั่นกน็มันเหมือนกับเรามีเรือล้าหนึ่งเหมือนกันอะหายลองแลงลองแรงเนี่ยขึ้นล่องอยู่เนี่ย เป็นเนื้อล่องใจไปแปรมานี่ยเมื่อเรือลำหนึ่งือครับในการที่เราได้เรือลํานี้แหละหายล่องขึ้นหล่องลงไงรีบรับจ้างเอาเงินเอาทองใช่สิ่งที่เราจะขึ้นได้มันได้แท้แต่ปัจจินี้แท้ยังจะจักท่าเสียเวลาที่เราจะต้องกระทาด้วยการฟังเทศให้ได้ความรู้ความเข้าใจให้ฉลาดเกิดความรู้ทางธรรมคาสอนรู้เดี่ยวจดจําให้มันได้ นี่เขาเรีบทำเจ้ถ้าหาก็ไปทําเวลานี้ต่อไปบางทีอาจจะไม่มีคนเทศให้ฟังหรือบางทีอาจเราจะไม่มีโอกาสได้ฟังมีอุปสรประการต่างๆหรือมิฉะนั้นกน็เราอาจจะหูหนวกหูหนั ก, ห, ห, นกหูตึงหรือว่าเราอาจเจ็ะไขได้ตวดัวได้ระการต่างๆไม่สามารถที่จะได้รับได้ฟังก็ใด้ใน ม, มีหลายเรื่องอุปสรรคทางนาในเมื่อเรายังมีหูตาสว่าง แจมใสได้มีจิตใจคิดนึกคิดรองได้และมีคนเทศคมอบรมสั่งสอนแล้วรีบปฏิบัติฝึกหัดหรือฟังเทศ ท, ทางตามจดจังอัมาทำสองเปรียเท่าออกมนได้อันนี้เรียกว่ารีบแรวรีบพายรับจ้างหาเงินหาทองหาสมบัติเข้าของที่ตรงแยกเงได้นอกจากนั้นสินหาสินแสิ่งทีง่เป็นเครื่องชาระกายใจรีบ ชำระนั้นเสียถ้าหากเราไม่ชำระทาสังชั่วในเวลานี้เมื่อเราตายไปแล้วสิ่งที่เราทําไว้น่ะจะไม่ได้ไม่มีโอกาสได้ชําระเสียเลยชลําระชั่วแต่เมื่อเวลาที่ยังมีโอกาสอยู่นี้คื อ, อยังไม่ถึงตายถ้าหากเราตายไปแล้วไม่มีโอกาสแล้วที่ชาระท้าสังจิตใจได้สร้างบุญสร้างกุศลได้หวังเลยนอกจากโลกมนุษย์ของเราแล้ว โลกเทพทั้งหลายที่ท่านกล่าวทั้งเรื่องอยู่ในชั้นสวรรค์ชั้นฟ้าอะไรต่างๆไม่มีเวลาที่จะได้ทําบุญทั้งห้ายหรอกคืออยู่ด้วยความสุขของสบายถ้าจะมาเปลี่ยมนกับคนมีความสุขในโลกนี้เกิดความประมาทเลิกหน้าเลิ่อนในความสุขสมบัติของตนมีรุ่มรวยแล้วแต่ลืมเจ้อเพียงพอแล้วไม่ต้องเดือดร้อนเวรวายเลยจะเลยจะเลื่อลืมล คุณงามคนดีต่างเด่นสมบัตินั้นให้ยินดีก็คนสุกคนตามสมบัติของตอนที่มีอยู่นั้นนายวิสาขาเทศให้พวกปู่ฟังคือข้ อ, ขอหัวฟังในเมื่อแกได้เป็นเศรษฐีแล้วแกไม่ทำบุญต้นทานลูกสะภ้ บ, บอกว่ากินของเก่าจึงโกรธให้ลูกสะภ้ยหาว่าลูกสะภ้ยนั้นเยียญยาดูถูกตนธรรมดาก็ของเก่านั้น ก็หมายของคนโดยสากหมายถึงเรื่องอุจจาระาปัสสาวะอะไรของเก่าจนจะเอาโทษเอาก่อนนาวิสาขาลูกสะพ้ยจึงตั้งกรรมการทั้งสองฝ่ายมาศึกษาหรื อ, อถามความจริงแต่านาวิสาขาไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายถึงเข้ปูนั่นเข้าผัวเนี่ยที่ปูของแกทำบนต้นทางและในชาติก่อนแล้วจึงค่อยได้มามีสมบัติมัม่งมูลรุ่มรวย จนได้เป็นเศรษฐีในชาติอา น, นี้นักเลงมัวเมากับสมบัติของตนที่ตนได้ทำํำมาแต่ก่อนเรียกว่ากินของเก่าหมายอาตรงนั้นต่างหากหรอกกินของเก่าไม่ทําบุญตอบอันนั้นหมายตรงนั้นต่างหากหอพอลูกสะ้ายเทศในต่างเท่านั้น่ะเลยสะดุ้งตื่นตกใจเห็นดีเห็นชอบกับลูกสะ้ายเลย จึงได้ ย, ยกลูกสะพ้ให้เป็นมารดาจึงมีชายาเรียกว่าวิสาขาได้มีมิคามิคาละมาตามิคาแลเศรษฐีพ่อปูน่นี่ยพ่อปัวนั้นเรียกว่ามิคาแลเศรษฐีลูกสะพ้าเรียกว่าวิสาขาเพรนนั้นจึงได้ฉายา ว, าวิสาขามิคาลมาตาคือเป็นมารดาของพ่อปู่นั่นเองนี่เป็นต้นเป็นตัวอย่าง คือว่าคนเรานั้นถ้าหากว่าไม่สร้างคุณงามคนดีเสียเพิดอเพลินัวเมาก็เลยแต่คนสุขของตนเรียกว่ากินของเก่านี่แหละคนที่ร่มหลงมัวเมาลืมตัวดวงตัวเป็นอย่างนี้อันนี้เอพมาเปรียบเทียบมันเป็นเรื่องยืดยาวไปว่ากันโดยเฉพาะเมื่อว่าเราพิจารณาเรื่องความตาย จะหาอุปายวิธีสร้างคณงานคดีของตนโดวยวิธีใดก็สุดแล้วเถอะจะมีการไหวพระสวดมนต์ไม่ขาดไปจำวันหรือว่ามีศีลห้าไปจำเป็นนิดหากไม่ได้ก็จะให้มันคิดแอกไปจากธรรมดาวันศีลวันพระก็ให้มันได้ไปจำนีรีบทำเสียในเมื่อเรามีหมูตาวิวาครบอันบริบูรณ์เรียกว่าสมบัติของเรามีข้อมูลบริบูรณ์แล้วรีบทเ นึกไม่ฉะานั้นถ้าหากจะทําอย่างไรง่ายอย่างสบายที่สุดก็คือเรามาหัดภาวนากรรมฐานโดยการที่มาแต่ลงทุนเลยนั่นกนออนท็ทํากรรมฐานภาวนาทําสมาธิพิจารณาไน้จังทุกครั้งอนาตาเห็นตาไม่จริงไม่ของไม่ ม, มันมาเที่ยงยิ่งเป็นเหตุที่จะให้เรารีบร้อนทําคนงามความดีให้ดียิง่งยิ่งขึ้นไปโดยอย่างรวดเร็วที่สุดมีการพิจารณาตั้งตอนตายมีประโยชน์หลายอย่างมากเป็นตั อันนี้เรียกว่าพิจารณาถึงความตายให้คุณค่ า, หามหาศาลความตายที่มาพิจารณาถึงอยู่ตลอดทุกวันเวลานั้นพระพุทธเจา้าท่านชมนักชมหนาแต่ท่านก็นไม่ได้อธิบายอะไรกว้างขวา ง, งมากมายท่านแต่ว่าเป็นของดีมีประโยชน์มากความเป็นจริงมันเป็นจริงอยู่แล้วแต่เราไม่อยากพิจารณาเห็นตามเป็นจริง จึงได้จึงไม่จึงไม่ได้รู้ความจริงของธรรมะความตายเป็นจริงได้อธิบายมาแล้วคล้ายๆไม่เว้นสักคนเดียวทุกคนจะต้องตายด้วยกันนะถึงจ ะ, พะเลพะเลิดเพลอนมัวเมาลุ่มหลงหรือว่าจะปรองอานิจังทุกอย่างนั่นตายเห็นสภาพตามเป็นจริงก็จริงแต่ในผลที่สุดจะต้องแตกต่าง ก, กันอยา่างพระเจ้าของเราที่เห็นชัดตายเป็นจริงและทุกสิ่งทุกอย่างมาสังขารร่างกายเกิดมาแล้วก็ต้องดับแต่ถึงขนาด น, า น, ดนั้นพระองค์เจ้าก็ยังรับการนิพพาน พระตาบทั้งหลายก็เช่นเดียวกันคนประมาทมัวเมาทั้งหลายทั้งปวงหมดถึงจะไม่เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอัตตาตาสภาวะธรรมก็ตามแต่ก็จะต้องตายเหมือนกันแต่ว่ากอนตายมันทีแตกคคนมัวเมาประมาทในเวลาตายแล้วก็มันมีทีพึ่งมันมีทีเกาะเกี่ยวคือมีได้ความทุกข์เดือดร้อนกลุ่มใจโดยเฉพาะกันถ้าหากคนมีคนรอยก็เลยไม่อยากตายจากสมบัติความสุขทั้งต้นเนื้อมีครอบครัวพัด ไม่ขยับถ้าขยับครอบครวของต น, นอะไรอาวรนเสียใจถ้าหากว่าผู้ที่ท่านมีสติปัญญาพิจารณาเห็นตามเป็นจริงในอธิบายมาแล้วนั้นท่านไม่ได้กังวลเกี่ยวข้องทังเรื่องทั้งหลายนั่นเห็นมันแตกมันดับมองเห็นชัดเจนเป็นจริงว่าตามเป็นจริงที่พิจารณาเป็นอย่างนั้นแน่นอนคั้ น, นี้ก็ เมื่อมันแตกตับก็เห็นตามเป็นจริงแสดงความจริงให้ปรากฏชัดขึ้นมายิ่งเป็นสักขีเป็นยางชัดเจนขึ้นมาจะเลยจะเป็นความทุกข์โศกมาจากไหนถ้าเห็นตามเป็นจริงนล้วเป็นทุกข์มันก็ไม่ได้อะไรเป็นโศกก็ไม่ได้อะไรจะไปเสียใจมันก็ไม่เห็นได้อะไรมีแต่ทุกข์เราต่งหาเราคนเป็นคนทุกข์ต่างหากเรื่องเท่าไรนั้นมันหาได้กลับคืนมาเป็นเราอีกไหม่มันจะต้องแกจามรู้สึกโศกไปเในนั้นคนที่ห่วงคนที่กังวลเกี่ยวข้องกับคนตาย เป็นทุกอะไรอวันร้องไห้ร้องห่มนั้นมันได้มีประโยชน์อะไรหรอกถ้าจะร้องไห้ร้องห่มนั้นถ้า example, RI? ม Actually, ันมีประโยชน์นั่ะเสียดายที่เราตายมาดีกว่าเสียดายในการที่เราตายทุกวันยังจะได้ประโยชน์มดลมหายใจเขาออกแล้วไปร้องไห้ร้องห่มเสียดายมันจะกลับคืนมาหรือมันมีหรอกเราร้องไห้เราเสียดายในการที่เราตายทุกวันทุกวันนี้ เป็นทุกเดือนร้อนเพราะเหตุที่เราจะต้องตายถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วคนจะสงบเยือกเย็นคือเห็นคนตายแล้วคนจะไม่เห่เหืมกำเริบจะไม่ประมาทเหยียดหยามดูถูกคนอื่นแล้วจะไม่มีการลักต่อคงขมวดจะมีแต่นิ่งสงบเยือกเย็นนอกจากนั้นอีกก็จะเห็นทางเห็นช่องเห็นทางที่จะทำคุณงานคนดีต่อไปก็คิดอย่างอธิบายมาแล้ว คนเจ็บไครได้ป่วยกลัวจะตายรีบวิ่งขวัดขวานสร้างบุญสร้างกุศลทําบุญสัก บ, บาทอย่างน้อยคนคิดถึงความตายคือคิดถึงอายุของตนว่าอายุสามสิบปีสี่สิบปีหรือถึงวันเกิดหรือเดือนเกิดสีเกิดจะต้องทําบุญอายุอันนี้เนื่องจากพิจารณาในความตายตรงนั้นเนวะความตายมีคุณค่ามหาศาล กูจะทําคุณงามความดีทั้งหลายล้วนได้แต่พิจารณาทั้งความตายค้นประมาทคือไม่พิจารณาถึงความตายทันท่วงได้รอดแก่ทังเกําได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเลือกในนั้นความตายยังเป็นของมีมีคุณค่าดังอธิบายมาแล้วทุกๆคนยังต้องหาการพิจารณาถึงความตายเป็นมรณนาสติคือเอาความตายมาเป็นเครื่องพิจารณาเอาเป็นเครื่องรลุดหยุดการเวลา ยิ่งเรามาหาาาัดภาวนาเตรแล้วพอพิจารณาเรืองความตายจิตจะสงบเชี่องเย็อารมณ์ทั้งหลายที่วุ่นวายสงสัยเกี่ยวข้องด้วยเรื่องภายนอกต่างๆจะหายหมดจะจิตจะเข้ามาเป็นสมาธิภาวนารวมอยู่นะั้นทีเดียวนีมนเป็นประโยชน์อย่างนี้อันนี้จริงว่าหาคุณค่าไม่ได้นะความตายในหาคุณค่าซื้อเอาไม่ได้ข า, ายไม่ได้จะไปขอซื้อขอขายความตายการที่จะพิจารณาเรองความตายไม่ได้เด็ดขาดนั่นมีใครซื้อขายก็เสียด้วยความตาย ที่เราพิจารณาในความตายไม่มีใครซื้อขายกันถ้างหากว่าใครมีอุบายปรรยาัญญาเพ่งพิจารณาในความตายด้วยตนเองแล้วเป็นของมีค่าปรากฏขึ้นมาในนั้นเองคือจะได้ความสงบเยือกเย็นดังอธิบายาแล้วเนี่อธิบายมาถึงเรื่องม ร, รณาสติคือพิจารณาความตายสรุปรวมรวมพอที่จะยิบยกเอาไปคิดพิจารณาได้เพียงแค่นี้ทุกๆคนยงอมพาดสนใจและตั้งใจพิจารณา ให้เกิดสัญญาวิจารของลูกอาศัยประมาททางนความประมาทก็จะนำมาซึ่งความสุขคนจะเดินดังอธิบายมาด้ยือยองรอกาจะมี